บุกทูเจ็ดสิบห้าเซบดกควินเหตุผลบางประการราดิกิเออนคุณทำไมคุณไม่มาคะอากาศแย่มาก Lavetero Tromalbonas ดีฉ bon ma ันไม่มาเพราะอากาศแย่มาก Mine venas Charlavetero Tromalbonas ทำไมเขาถึงไม่มาคะ Kial ma i n e venas เขาไม่ได้รับเชิญ Line e s t a s invitita S <S เขาไม่มาเพราะเขาไม่ได้รับเชิญลิ n e v e n ว s c h a r l i ลิ e เน่เอสทัสอินาทำไมคุณไม่มาคะคียาลิเน่เวเดิฉันไม่มีเวลา m i n เนฮาบัสเตมดิฉันไม่มาเพราะไม่มีเวลา m i n เน่เวเ ชาทำไมคุณไม่อยู่ต่อล่ะคะที่ดิฉันยังต้องทำงานค่ะมอบีดิฉันไม่อยู่ต่อเพราะต้องทำงานค่ะมิเนเรัสชารมิเดวสอันโคราลลาโร ทำไมคุณจะไปแล้วล่ะคะ are ที่ัลวิยัมฟอร์เรรัสดิฉันเหนื่อยคะ่ะมีเอสตาสลตซดิฉันจะไปเพราะเหนื่อยคะ่ะมิฟอร์เรรัสชาร์มิเอสตาลตซทำไมคุณจะไปแล้วล่ะคะที่ัลวิยัมฟอร์เูรัสดึกแล้วคะ่ะ มมดิฉันจะไปเพราะดึกแล้วค่ะ b e f o r the u r e s c h a r l e m a fruas กรุณาไปที่ w w w b o o k t o d e สําหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด